วิธีให้ติทยปริวาสภิกษุทั้งหลายก็แลสง์พึงให้ติทยปริวาสอย่างนี้ก่อนอื่นพึงให้กุลบุตรที่เคยเป็นอัญญเดรถีปลงผมและนวดให้ครองผ้ากาสายะให้ห่มผ้าเฉียงบ่าข้างหนึ่งให้กราบเท้าภิกษุทั้งหลายให้ประนมมือแล้วสั่งว่าเธอจงกล่าวอย่างนี้แล้วให้ว่าสารณคมดังนี้ ไตรสารณคมว่าด้วยการถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสารณะข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสารณะข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสารณะแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสารณะแม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสารณะแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสารณะแม้ครั้งที่สามพิกษุทั้งหลายกุลบุตรที่เคยเป็นอัญญาเดรถีนั้นพึงก็ไปหาสงฆ์ห่มผ้าเฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุทั้งหลาย นั่งกระยองประนมมือกล่าวคำขอติทยปริวาตอย่างนี้ว่า